บทที่หกว่าด้วยบาปสำนึกหรือการสำนึกบาปครั้งหนึ่งพวกที่ใฝ่ใจในการศึกษาและพวกชาวบ้านจากกวางเจาชิวเจาและที่อื่นๆได้มาประชุมกันอย่างคับคั่งเพื่อฟังคำเทศนาของพระสังคาปรินายกเมื่อพระสังคาปรินายกเห็นดังนั้นก็ได้ขึ้นธรร ม, มาทและแสดงธรรม เป็นข้อความดังต่อไปนี้การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นเราควรตั้งต้นที่จิตเดิมแท้ของเราตลอดเวลาเราต้องชำระ จ, จิตของเราติดต่อกันทุกขณะจิตตายไปตามมรรคปฏิปทาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองให้เห็นประจักษ์ชัดแจ้งในธรรมกายของเรา ให้เห็นประจักษ์ชัดแจ้งต่อองค์พระพุทธเจ้าในใจของเราหรือขนตัวเองด้วยต่างคนต่างสมาทานศีลแล้วการมาสู่ที่นี่ของพวกท่านทั้งหลายก็จะไม่เป็นการมาเปล่าเนื่องจากท่านทั้งหลายมาจากที่ไกลด้วยกันทุกคนข้อที่เราได้มาพบกันที่นี่ย่อมแสดงว่าเป็นการได้มีการสมาคมกันอย่างประเสริฐ ฉะนั้นพวกเราทั้งหมดจงนั่งลงตามท่านั่งของชาวอินเดียอาตามาจะได้แสดงเรื่องวิธีการสำนึกบาปอันเป็นทางใจล้วนไม่เกี่ยวกับรู ป, ปรธรรมเช่นกิริยาท่าทางเป็นต้นแก่ท่านทั้งหลาย <S <S เมื่อทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้วพระสังฆปรินายกได้กล่าวต่อไปว่าคันทสาร พ่อต้นนั้นคือศีลซึ่งหมายถึงการที่จิตของเราปราศจากรอยด่างของทุจริตความชั่วความวิษยาความตระหนี่ความโกรธการใช้กำลังค่มคู่และการโผกเวรคันธสาระข้อที่สองนั้นคือสมาธิซึ่งหมายถึงการที่จิตของเราไม่มีอาการหวั่นไหวในทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาแวดล้อมเรา ไม่ว่ามาดีหรือมาร้ายคันทสาระข้อที่สามนั้นคือปัญญาซึ่งหมายถึงการที่จิตของเราเป็นอิสระจากเครื่องหุมห่อรึงรัดหมายถึงการที่เราส่องปัญญาของเราอยู่เหนืองนิดลงที่จิตเดิมแท้ของเราหมายถึงความที่เราเป็นผู้พ้นเด็ดขาดจากการที่จะทำความชั่วทุประเภทหมายถึงความที่ว่า แม้ว่าเราจะทําความดีทุกสิ่งทุกอย่างถึงกระนั้นเราก็ไม่ปล่อยให้ใจของเราเกี่ยวก่ออยู่ที่ผลของความดีนั้นนั้นและหมายถึงว่าเรายอมเคารพนับถือผู้ที่สูงกว่าเราอ่อนน้อมต่อผู้ที่ต่ําต้อยกว่าเราเห็นอกเห็นใจคนที่หมดวาสนาและคนยากจนคันธสาระข้อที่สี่นั้นคือความหลุดพ้นหรือวิมุต ซึ่งหมายถึงความที่ใจของเราขึ้นถึงขั้นเป็นอิสระเด็ดขาดไม่เกี่ยวกาะอยู่กับสิ่งใดไม่ผูกพันตัวเองอยู่กับความดีและความชั่วคันทสาระข้อที่หนั้นคือความรู้อันเราได้รับในขณะที่ลุกถึงความหลุดพ้นเมื่อจิตของเราไม่เกี่ยวกาอกับความดีและความชั่วแล้วเรายังจะต้องระวังไม่ปล่อยให้จิตนั้นอิงอยู่กับความว่างเปล่า หรือตกลงไปสู่ความเฉยยิ่งกว่านั้นเราจะยังต้องเพิ่มผูนการศึกษาและขยายความรู้ของเราให้กว้างออกไปจนกระทั่งเราสามารถรู้จักจิตของเราเองสามารถเข้าใจโดยทั่วถึงในหลักแห่งพุทธธรรมทำตนเป็นฉันญาติมิตรกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องด้วย บำบัดความรู้สึกว่าตัวตนและความรู้สึกว่ามีว่าเป็นเสียให้หมดสิน้นและเห็นแจ้งชัดว่าจำเดิมแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่เราได้บรรลุโพธินั้นธรรมชาติที่แท้จริงหรือจิตเดิมแท้ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนี้ชื่อว่าคันธสาระแห่งความรู้อันเราได้รับ ในขณะที่ลุถึงความหลุดพ้นคันทสาระอันประกอบไปด้วยองค์ห้าประการนี้ย่อมอบกลินออกมาจากภายในและเราไม่ควรแสวงหามันจากภายนอกทีนี้อาตมาจะได้แสดงแก่ท่านทั้งหลายถึงเรื่องบาปสำนึกอันไม่เกี่ยวกับรูปธรรม อันเป็นวิธีที่จะถ่ายถอนเสียได้ซึ่งปวงบาปอันเราทั้งหลายได้กระทํากันในชาติเป็นปัจจุบันชาติอดีตและอนาคตและจะชําระมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมของเราให้หมดจดท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายจงทําตามอาตมาและว่าดังๆพร้อมกันทุกคนเหมือนที่อาตมาจะว่านำ ขอให้เราทั้งหลายบรรดาสาวกที่ไม่ได้ระบุนามเหล่านี้จงเป็นผู้เป็นอิสระตลอดกาลจากรอยด่างของความไม่รู้และรู้ผิดเราได้สำนึกแล้วในบาป และกรรมชั่วทั้งหลายของเราอันเราได้ประกอบแล้วเพราะอำนาจแห่งความรู้ผิดหรือความให้รู้ขอให้บาปทั้งกวงนั้นจงเป็นสิ่งไถถอนหมดสิ้นแล้วในทันทีนี้ และขออย่าให้กลับเกิดมีมาอีกเลยขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้เป็นอิสระตลอดกาลจากรอยด่างของความเย่อหยิ่งและความอวดดี เราสำนึกได้แล้วในจริตอันเยอ่อหยิ่งและโอ้วดอันเราทั้งหลายได้ประพฤติมาแล้วในอดีตขอให้บาปทั้งมวล น, นั้นจงเป็นสิ่งที่ไถยถอนหมดสิ้นแล้วในทันทีนี้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 เราสำนึกได้แล้วในบาปและกรรมชั่วทั้งหลายของเราอันเราได้ประกอบขึ้นแล้วด้วยใจอันเต็มไปด้วยความริษยาและความเครียดแค้นขอให้บาปทั้งมวล น, นั้น จงเป็นสิ่งที่ถ่ายถอนหมดสิ้นแล้วในทันทีนี้และขออย่าให้กลับเกิดมีมาอีกเลยท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายนี่แหละที่เราเรียกว่าเซนฝูอันไม่เกี่ยวกับรูปธรรมอะไรเล่าเป็นความหมายของเซน และฝูในที่นี้เซนนั้ น, น, นเล็งถึงความสำนึกบาปอันเป็นอดีตการสำนึกถึงตัวบาปและกรรมชั่วทั้งโพงในอดีตอันเราได้ประกอบขึ้นแล้วด้วยอำนาจความรู้ผิดความไม่รู้ความเย่อหยิงความโอ ด, ดีความเครียดแค้นหรือความริษยาและอื่นๆได้จนถึงกับทําความสิ้นสุดให้แก่บาปเหล่านี้ได้เรียกว่าเซน ฝูนั้นเล็งถึงการสำนึกบาปส่วนที่จะเกิดขึ้นด้วยการกระทำในอนาคตของเราเมื่อเห็นแจ้งชัดถึงธรรมชาติอันเราอาจล่วงละเมิดได้ในอนาคตเราย่อมตั้งปฏิญาณว่าแต่นี้ต่อไปเราขอทำความสุดสิ้นแก่กรรมชั่วทุกประเภทอันเกิดขึ้นมาจากความรู้ผิดความไม่รู้ความเย่อหยิงความอวดดีความเครียดแค้นหรือความริษยา แล้วว่าเราจะไม่ก่อบาปขึ้นอีกต่อไปนี้เรียกว่าฝูเนื่องจากความไม่รู้แลรู้ผิดเป็นเหตุคนทั้งหลายย่อมไม่เห็นชัดแจ้งว่าในการทำความสำนึกบาปนั้นเขาไม่ควรจะเพียงแต่รู้สึกเสียใจเพราะบาปกรรมที่ทำมาแล้วอย่างเดียวแต่เขาควรจะละเว้นเด็ดขาดจากการทำบาปใหม่ในอนาคตด้วย เนื่องจากเขาไม่ใส่ใจสัมรวมถึงการกระทำในอนาคตนั่นเองเขาประกอบบาปขึ้นใหม่ก่อนแต่ที่จะไถ่ถอนบาปให้สิ้นไปเราจะเรียกการกระทำเช่นนั้นว่าการสำนึกบาปได้อย่างไรกันเล่าท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเมื่อได้มีการสำนึกบาปชำระตัวแล้วเราควรจะตั้งไว้ซึ่งปฏิญาณรวบยอดสี่ประกาศดังต่อไปนี้ เราขอปฏิญาณที่จะปลดปล่อยสัตว์มีวิญญาณมีปริมาณไม่จํากัดอันเป็นของแห่งใจของเราเองเราขอปฏิญาณที่จะเพิกเสียซึ่งกิเลสมีปริมาณขนาไม่ได้ในใจของเราเองเราขอปฏิญาณที่จะศึกษาระบอบธรรมอันนับไม่ถ้วนแห่งจิตเดิมแท้ของเรา เราขอปฏิญาณที่จะเข้าไห้ถึงพุทธภาวะอันสูงสุดแห่งจิตเดิมแท้ของเราท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหมดได้ประกาศออกไปแล้วว่าเราปฏิญาณในอันที่จะปลดปล่อยสัตว์มีวิญญาณอันมีประมาณไม่จํากัดแต่นั่นหมายความว่าอย่างไรเล่ามันไม่ได้หมายความว่าอาตมาเว่ลาง กำลังจะปลดปล่อยสัตว์นั้นและอะไรเล่าคือสัตว์มีวิญญาณเหล่านั้นอันมีอยู่ในใจของเราสัตว์เหล่านั้นใจที่หลงผิดใจที่เป็นมายาใจชั่วร้ายและใจอื่นๆทำนองนั้นเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าสัตว์ที่มีวิญญาณสัตว์เหล่านี้แต่ละตัวจำจะต้องปลดปล่อยตัวมันเอง โดยอาศัยอำนาจแห่งจิตเดิมแท้ของมันแล้วการปลดปล่อยนั้นก็จะเป็นการปลดปล่อยอันเลิศแท้ในเรื่องนี้การปลดปล่อยตัวเองโดยอาศัยจิตเดิมแท้ของตัวเองนั้นหมายความว่าอย่างไรเล่ามันหมายถึงการหลุดรอดของสัตว์ที่โง่เขลาที่หลงผิดที่หลงทรมานอันมีอยู่ในใจเรา ออกไปได้โดยอาศัยสัมมาทิฏฐิโดยได้อาศัยสัมมาทิฏฐิและปัญญาสิ่งกลางขั้นต่างๆที่สัตว์ผู้ไร้ความรู้และรู้ผิดเหล่านั้นแต่ละตัวจะอยู่ในฐานะที่จะปลดปล่อยตัวเองออกไปได้ด้วยน้ําพักน้าแรงของตัวผู้ผิดจงปลดปล่อยตัวเองได้ด้วยอาศัยความถูกผู้รู้ผิดจงปลดปล่อยตัวเองได้ ด้วยอาศัยความรู้แจ้งผู้ไม่รู้ด้วยอาศัยปัญญาและผู้เต็มอยู่ด้วยโทษด้วยการอาศัยคุณนี้คือการปลดปล่อยอันเลิศแท้สำหรับข้อปฏิญาณที่ว่าเราขอปฏิญาณที่จะเพิกเสียซึ่งกิเลสอันชั่วร้ายภายในใจอันมีปริมาณขนาไม่ได้นั้น ย่อมเล็งถึงการปลดออกเสียซึ่งกลุ่มของความคิดอันเชื่อถือไม่ได้และเป็นมายาหลอกลวงโดยนำเอาปัญญาแห่งจิตเดิมแท้เข้ามาใส่แทนที่สำหรับข้อปฏิญาณที่ว่าเราขอปฏิญาณที่จะศึกษาระบบธรรมอันนับไม่ถ้วนนั้นควรจะวางหลักลงไปว่าการศึกษาที่แท้จริงจะยังมีไม่ได้ จนกว่าเราจะได้เผชิญหน้ากับจิตเดิมแท้ของเราเสียก่อนและจนกว่าเราจะมีความเป็นไปของเรากลมเกลียวกันได้กับธรรมะอันถูกต้องในทุกโอกาสเสียก่อนสาหรับข้อปฏิญาณที่ว่าเราขอปฏิญาณที่จะเข้าให้ถึงพุทธภาวะอันสูงสุดนั้นอาตมาปรารถนาที่จะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นชัดว่า เมื่อเราสามารถน้อมจิตของเราไปตามทางแห่งธรรมะอันแท้และถูกตรงในทุกโอกาสและเมื่อปัญญาแจ่มแจ้งอยู่ในใจของเราไม่ขาดสายจนกระทั่งเราสามารถตีตัวออกห่างเสียได้ทั้งจากความรู้แจ้งและความไม่รู้ไม่ค้องแวะด้วยกับทั้งความจริงและความเท็จเมื่อนั้นแหละเราอาจจะถือว่าตัวเรา ได้รู้แจ่มชัดแล้วในธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะหรืออีกในยะหนึ่งได้ลุถึงแล้วซึ่งพุท ธ, ธภาวะท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเราควรจะสำเนียกอยู่ในใจให้ได้เสมอไปว่าเรากำลังตายไปเรื่อยๆตามทางแห่งมรรคปฏิปทาเพราะว่าการทำในใจเช่นนั้นย่อมเพิ่มกำลังให้แก่คำปฏิญาณของเรา บัดนี้เนื่องจากเราได้ตั้งไว้ซึ่งปฏิญาณรวบยอดสี่ประการเหล่านี้แล้วอาตมาจะได้แสดงแก่ท่านทั้งหลายถึงเครื่องส่องทางมีองค์สามประการอันไม่เกี่ยวกับรูปธรรมสืบต่อไปเราถือเอาการรู้แจกงตัสรู้ว่าเป็นเครื่องนำทางของเราเพราะว่านั่นแหละคือยอดสุดทั้งของบุญและปัญญา เราถือเอาความถูกต้องตามธรรมแท้ว่าเป็นเครื่องนำทางของเราเพราะว่านั่นแหละคือหนทางที่ดีที่สุดแล้วของการรื้อถอนตัญหาเราถือเอาความบริสุทธิ์ว่าเป็นเครื่องนำทางของเราเพราะว่านั่นแหละคือคุณชาติอันประเสริฐที่สุดของการได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปนี้จงถือเอาท่านที่ตัศรู้แล้ว เป็นครูของเราในทุกกรณีเราไม่ควรรับเอาพยามารบุคลาที่สถานแห่งความชั่วหรือมิจฉาทิฐิบุคคลอื่นใดว่าเป็นผู้นำของเราข้อนี้เราอาจน้อมนำเข้ามาสู่ใจเราได้โดยการน้อมระลึกถึงอยู่เนน่องนิดในรัตนะทั้งสามแต่จิตเดิมแท้ของเราซึ่งในรัตนะเหล่านี้เองท่านผู้ของแก่เรียนทั้งหลาย อาตมาขอแนะนำให้ท่านทั้งหลายถือเอาเป็นที่พึ่งรัตนเหล่านั้นคือพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นตัวแทนของความรู้แจ้งตัสรู้พระธรรมซึ่งเป็นตัวแทนของความถูกต้องตามธรรมแท้พระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์การน้อมใจของเราให้ถือเอาความรู้แจ้งเป็นที่พึ่งได้ จนถึงกับความรู้สึกที่ชั่วร้ายและผิดธรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้ตันหาห่างจากไปความตึงเครียดไม่ปรากฏราคะและโลภะไม่รึงรัดอีกต่อไปนั่นแหละคือยอดสุดทั้งของบุญและปัญญาการน้อมใจของเราให้ถือเอาความถูกต้องตามธรรมแท้เป็นที่พึ่งได้ จนถึงกับเราเป็นอิสระอยู่เสมอจากความเห็นผิดซึ่งถ้าปราศจากความเห็นผิดแล้วก็ไม่อาจจะเกิดความยึดถือตัวตนความเยอ่อหยิ่งหรือความทะเยอทยานขึ้นมาได้นั่นแหละคือหนทางอันประเสริฐที่จะถอนเสียได้ซึ่งตันหาการน้อมใจของเราให้ถือเอาความบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งได้จนถึงกับ ไม่ว่าสถานการณ์อันใดจะเข้ามาแวดล้อมใจก็ไม่ถูกทำให้เปื้อนด้วยวัตถุกรรมรมอันน่าขยะแยงด้วยความทะเยอทะยานและตัณหานั่นแหละคือคุณชาติอันประเสริฐสุดของการได้เกิดมาเป็นคนการปฏิบัติในเครื่องสองทางมีองคสาตามวิธีที่กล่าวมาแล้วนี้ ย่อมหมายถึงการทำที่พึ่งในตัวของตัวเองคือในจิตเดิมแท้ของผู้นั้นเองพวกคนเขาพากันถือสาระเครื่องส่องทางมีองศาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่เขาหาเข้าใจในสิ่งนี้ไม่ถ้าเขากล่าวว่าเขาถือที่พึ่งในพระพุทธเจา้าเขาทราบหรือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน ถ้าเขาไม่สามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้แล้วเขาจะสามารถถือที่พึ่งในพระองค์ได้อย่างไราการที่เขายืนยันเช่นนั้นนี่กลายเป็นเท็ไปหรือท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายท่านทั้งหลายแต่ละคนควรจะพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงในแง่นี้ให้แจ้งชัดเพื่อตัวท่านเองและอย่าปล่อยให้กำลังกาย และกำลังความคิดของท่านถูกใช้ไปผิดทางพระสูตรได้กล่าวไว้ชัดแล้วว่าเราควรจะถือที่พึ่งในพระพุทธเจ้าภายในตัวเราเองไม่ได้กล่าวสอนไว้เลยว่าให้ถือพระพุทธเจ้าอื่นๆ น, นอกจากนี้เป็นที่พึ่งยิ่งกว่านั้นถ้าหากว่าเราไม่ถือที่พึ่งในพระพุทธเจ้าภายในตัวเราเองแล้วก็ไม่มีที่อื่นใดอีก ที่จะถือเอาเป็นที่พึ่งที่ต้านทานแก่เราได้เมื่อได้พิจารณาเห็นความจริงในข้อนี้โดยประจ่างแล้วเราทั้งหลายแต่ละคนจงถือเอาที่พึ่งในรัตนะทั้งสามภายในตัวเราเองเถิดในภายในเราบังคับใจของเราเองภายนอกเรานอบน้อมต่อผู้อื่นนี่แหละคือวิถีทางแห่งการถือที่พึ่ง ภายในตัวเราเองท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเมื่อท่านทุกคนได้ถือเอาว่าเครื่องสองทางมีองค์สามนี้แล้วอัตมาก็จะได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายถึงเรื่องตรีกายคือกายสามอย่างของพระพุทธเจ้าแห่งจิตเดิมแท้สืบไปเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะสามารถเห็นกายทั้งสามนี้ แล้วจะเห็นแจ้งในจิตเดิมแท้อย่างชัดเจนด้วยจงตั้งใจฟังให้ดีแลว้ววาตามดังๆพร้อมกันทุกคนเหมือนที่อาตมาจะว่านำด้วยกายเนื้อของเหล่านี้เราขอถือที่พึ่งในธรรมกายอันบริสุทธ คือกายแก่นของพระพุทธเจา้าด้วยกายเนื้อของเรานี้เราขอถือที่พึงในสัมโพขกายอันสมบูรณ์คือกายแสดงออกของพระพุทธเจา้า ด้วยกายเนื้อของเรานี้เราขอถือที่พึ่งในนิรมาณกายอันมากมายตั้งหมื่นแสนกายเปลี่ยนรูปต่างๆของพระพุทธเจ้า ท่านผู้คงแกเรียนทั้งหลายกายเนื้อของเรานี้อาจเปรียบกันได้กับโรงพักแรมคือที่อาศัยชั่วคราวดังนั้นเราจึงไม่สามารถยึดเอาเป็นที่พึ่งในภายในจิตเดิมแท้ของเราเราอาจหาพบกายทั้งสามนี้และเป็นของสาธารณะทั่วไปสำหรับทุกคนแต่เนื่องจากใจของคนธรรมดาสามัญทากิจอยู่ด้วยความรู้ผิด เขาจึงไม่ทราบถึงธรรมชาติแท้ในภายในกายของเขาผลจึงเกิดมีว่าเขาไม่รู้จักตรีกายภายในตัวของเขาเองมีหนำซ้ำยังเชื่อผิดๆอีกว่าตรีกายนั้นเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาจากภายนอกท่านจงตั้งใจฟังเถิดอาตมาจะแสดงให้ท่านเห็นว่าในตัวท่านเองท่านจะหาพบตรีกายเป็นปรากฏการณ์ อันแสดงออกของจิตเดิมแท้อันเป็นสิ่งที่ไม่อาจหาพบได้จากภายนอกในที่นี้อะไรเล่าชื่อว่าธรรมกายอันบริสุทธิ์จิตเดิมแท้ของเราเป็นของบริสุทธิ์จริงแท้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงอาการแสดงออกของจิตนี้กรรมดีกรรมชั่ว เป็นเพียงผลของความคิดดีและคิดชั่วตามลำดับฉะนั้นภายในจิตเดิมแพ้สิ่งทุกสิ่งย่อมบริสุทธิ์จริงแท้เหมือนกับสีของท้องฟ้ากับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งเมื่อเมฆผ่านมาบังความแจ่มนั้นดูประหนึ่งว่าถูกทำให้มัวไปแต่เมื่อเมฆผ่านไปแล้วความแจ่มกลับปรากฏอีก และสิ่งต่างๆก็ได้รับแสงที่ส่องมาเต็มที่อย่างเดิมท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายจิตชั่วของเราเปรียบเหมือนกับเมฆความรู้แจ้งแทงตลอดและปัญญาของเราเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามลำดับเมื่อเราควพันอยู่กับอารมณ์ภายนอกจิตเดิมแท้ของเรา ก็ถูกบดบังไว้ด้วยความรู้สึกที่ติดรถของอารมณ์ซึ่งย่อมจะปิดกั้นความรู้แจ้งแทงตลอดและปัญญาของเราเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตามลำดับเมื่อเราพัวพันอยู่กับอารมณ์ภายนอกจิตเดิมแท้ของเราก็ถูกบดบังไว้ด้วยความรู้สึกที่ติดรถของอารมณ์ซึ่งย่อมจะปิดกั้นความรู้แจ้งแทงตลอด และปัญญาของเราไว้มีให้ส่องแสงออกมาภายนอกได้แต่พระเอิญเป็นโชคดีแก่เราอย่างเพียงพอที่ได้พบกันกับครูผู้รอบรู้และอารีที่ได้นำธรรมะอันถูกต้องตามธรรมมาให้เราทราบเราจึงสามารถกำจัดอวิชชาและความรู้ผิดเสียได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรา จนถึงกับเราเป็นผู้รู้แจ้งสว่างสวัยทั้งภายในและภายนอกและธรรมชาติแท้ของสิ่งทั้งปวงปรากฏตัวมันเองอยู่ภายในจิตเดิมแท้ของเรานี่แหละคือสิ่งซึ่งบังเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ได้เผชิญหน้า ก, นกันกับจิตเดิมแท้และนี่แหละคือสิ่งซึ่งเรียกว่าธรรมกายอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายการถือที่พึ่งในพระพุทธเจ้าที่จริงแท้นั้นก็คือการถือที่พึ่งในจิตเดิมแท้ของเราเองผู้ที่ถือที่พึ่งเช่นนี้ย่อมจะพากสิ่งต่อไปนี้ออกเสียจากจิตเดิมแท้ของต น, นคือจิตชั่วตันจิตฤรยาจิตสอพรคดคดงองอความยึดถือตัว ความคดโกงและมดเท็จความดูถูกดูแคลนความโอหังความเห็นผิดความเย่อหยิ่งจองหองและความตำสามอื่นๆอันจะมีเกิดขึ้นในจิตไม่ว่าในเวลาใดๆการถือที่พึ่งในตัวเราเองนั้นคือการระวังระวัยอยู่ตลอดเวลาในการที่จะไม่ทำชั่วทำผิด แลหลงงดขาดจากการวิพากษ์วิจารณ์ความดีหรือความคิดของบุคคลอื่นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอทุกโอกาสมีอัธยาศัยสุภาพต่อคนทุกๆคนย่อมเป็นผู้ที่ได้เห็นจิตเดิมแท้ของเขาอย่างทั่วถึงแล้วทั่วถึงจริงๆ จ, จนถึงกับผลทางข้างหน้าของเขาจะปราศจากอุปสรรคทุกประการ นี่แหละคือวิถีทางที่จะทําที่พึ่งในตนเองอะไรเล่าชื่อว่าสมโพคากายอันสมบูรณ์ในที่นี้ขอให้เรานึกถึงตะเกียงเป็นภาพเปรียบแม้แต่แสงตะเกียงเพียงดวงเดียวก็ยังสามารถทําลายความมืดที่มืดมานับเป็นพันพันปีได้ฉะนั้นประกายแห่งปัญญา ย่อมสามารถทำลายอาวิชชาที่มืดมาแล้วเป็นยุกยุกได้เช่นกันเราไม่ต้องวิตกกังวลถึงอดีตเพราะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นมาแล้วและไม่สามารถเอากลับคืนมาได้สิ่งที่ต้องการความสนใจจากเราคืออนาคตฉะนั้นจงให้ความคิดของเราเป็นสิ่งที่กระจายและกลมกล่อมอยู่ทุกขนาดจิตเถิด และให้เห็นอย่างเผชิญหน้าอยู่กับจิตเดิมแท้ทุกเมื่อเถิดความดีกับความชั่วเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามต่อกันและกันอยู่ก็จริงแต่ว่าตัวเมื่อแท้ส่วนลึกของมันนั้นไม่สามารถจะแยกออกเป็นสองฝ่ายธรรมชาติชั้นที่เราไม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายนี่เองคือตัวธรรมชาติแท้กล่าวคือความจริงแท้อันเด็ดขาด ซึ่งไม่สามารถถูกทำให้เปื้อนด้วยความชั่วหรือวิปริตไปยังใดยังหนึ่งด้วยอำนาจของความดีนี่แหละคือสิ่งซึ่งเรียกว่าสัมโพคกายของพระพุทธเจ้าความคิดชั่วร้ายเพียงดวงเดียวจากจิตเดิมแท้ของเราอาจจะทำลายความดีที่เราสร้างสมอบรมมานานนับเป็นสมัยสมัยให้เสื่อมเสียไปหมดได้ ทำนองเดียวกันกับที่ความคิดอันดีงามจากจิตเดิมแท้นั่นอีกเหมือนกันอาจจะชำระชะล้างบาปอากุศลของเราซึ่งแม้จะมากมายเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาได้ดุดกันการเห็นประจักษ์ชัดต่อจิตเดิมแท้ของเราเองอยู่ทุกขณะจิตปราศจากการแทรกแซงจนกระทั่งลุถึงการตัดสรู้ขั้นสูงสุดถึงกับอยู่ในภาวะ แห่งความเต็มเปี่ยมด้วยความรู้อันถูกต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละคือสัมโพคกายทีนี้อะไรเล่าชื่อว่านนรมาณกายอันมากมายนับด้วยหมื่นแสนเมื่อใดเราทำตัวเราให้เข้ามาอยู่ในฝักฝ่ายของความรู้จักแบ่งแยกว่าอะไรเป็นฝ่ายไหนและรู้จักระบุออกไปว่า อะไรเป็นสิ่งที่ควรต้องการได้แม้แต่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเมื่อนั้นความเปลี่ยนรูปแปลงร่างก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองถ้าผิดไปจากนี้สิ่งทุกสิ่งจะยังคงว่างเปล่าเหมือนกับอวากาศดังเช่นที่มันเป็นอยู่ในตัวมันเองมาแต่เดิมโดยการเอนอิงจิตของเราลงไปบนสิ่งชั่วนรกก็เกิดขึ้น โดยการเอนอิงจิตของเราลงไปบนการกระทากรรมดีสวรรค์ก็ปรากฏมังกรและงูร้ายคือการแปลงร่างมาเกิดของเวรัยอันมีพิษเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ก็คือตัวตนของความเมตตากรุณาจับ ก, กลุ่มกันมาเกิดสีกบนคือปัญญาซึ่งจับตัวกันเป็นผลส่องแสงจ้าอยู่ ในขณะที่โลกซีกล่างเป็นเพียงอีกรูปหนึ่งของสิ่งที่ก่อรูปมาจากอวิชชาและความมัวเมาการเปลี่ยนรูปแปลงร่างของจิตเดิมแท้ช่างมีมากมายเสียจริงๆพวกที่ตกอยู่ภายใต้ความหลงก็ไม่มีวันตื่นและไม่มีวันเข้าใจเขาจึงน้อมใจลงสู่ความชั่วเสมอและพระพฤติความชั่วนั้นเป็นปกตินิสัย แต่ถ้าเขาจะน้อมจิตเลี้ยวจากความชั่วมายังความดีงามแม้แต่เพียงซักขณะจิตเดียวเท่านั้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่านิรมานกายของพระพุทธเจ้าแห่งจิตเดิมแท้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายธรรมกายคือสิ่งซึ่งมีความเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวเองอย่างแท้จริง การเห็นกันอยู่อย่างเผชิญหน้ากับจิตเดิมแท้ของตนทุกๆขนาดจิตนั่นคือสัมโพคากายของพระพุทธเจา้าการเอนอิงจิตของเราลงที่สัมโพคากายนั้นจนถึงกับเกิดความสว่างหรือปัญญานั่นคือเนรมาณกายการปฏิบัติให้รู้ถึงการตัดสรู้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองและการที่ตนเองปฏิบัติความดีงาม ตามที่มีอยู่ในจิตเดิมแท้ของตนเองนั่นแหละคือกรณียะชั้นเลิอดของการถือที่พึ่งกายเนื้อของเรานี้ประกอบอยู่ด้วยเนื้อและหนังมันไม่มากอะไรยิ่งไปกว่าเป็นที่พักแรงสําหรับอาศัยเพียงชั่วคราวดังนั้นเราจึงไม่ถือที่พึ่งในกายเนื้อนั้นแต่เราจงพยายามให้เห็นแจ้งในตรีกาย แห่งจิตเดิมแท้ของเราเถอและเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าแห่งจิตเดิมแท้ของเราเองอัตมามีสโลกโคลงอันไม่เกี่ยวกับรูปธรรมอยู่บทหนึ่งซึ่งการท่องและการปฏิบัติตามสโลกโคลงนี้จะสามารถเพิก อ, อวิชชาให้ศูนย์ไปและชำระชะล้างบาปอันได้สะสมอบรมมานานนับด้วยกันกันได้ โดยสิ้นเชิงสโลกโครงนั้นมีดังนี้พวกที่จมอยู่ในความเขาย่อมมัวแต่สะสมบุญอันแปลกเปืือนด้วยการลูกคลาของตัณหาและทิฏฐิไม่ไต่ไปตามมรรคปฏิปทา<ด>พวกนี้ตกอยู่ภายใต้ความรู้สึกว่าการสะสมบุญกับการไต่ไปตามมรรคปฏิปทานั้น เป็นของสิ่งเดียวและอย่างเดียวกันแม้ว่าบุญของคนพวกนี้อันเกิดจากการให้ทานและการบูชาจะมีมากหาประมาณนี้ได้เขาก็ไม่เห็นแจ้งว่าวิถีทางมาอันเฉียบขาดของบาปนั้นเนื่องอยู่กับมูลธาตุอันมีพิษร้ายสามประการคือโลภโกรธหลงอันมีอยู่ในใจของตนเอง เขาคิดว่าเขาจะเปลื้องบาปของเขาได้ด้วยการสะสมบุญโดยหารู้ไม่ว่าความสุขที่เขาจะได้รับในชาติข้างหน้านั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับการเปลื้องบาปนั้นเลยทำไมจึงไม่เปลื้องบาปด้วยวิธีที่ทำกันภายในใจของตนเองเพราะว่านั่นแหละเป็นการชําระบาปภายในจิตเดิมแท้ของเราอย่างแท้จริง คนบาปที่ได้มีความเห็นแจ้งขึ้นในทันทีทันใดว่าอะไรจะนำมาซึ่งการสำนึกบาปอย่างแท้จริงตามวิธีของนิกายมหายานและได้เลิกละเด็ดขาดจากการทำบาปทำแต่ความดีงามนี่แหละคือผู้หมดบาปผู้ที่ตายไปตามมรรคปฏิปทาซึ่งกำหนดในจิตเดิมแท้อยู่เนืองนิดนั้นควรถูกจัดเข้าในระดับชั้นเดียวกัน กับพุทธบุคคลอันมีประเภทต่างๆพระสังฆปรินายกของเราที่แล้วแล้วมาไม่ค่อยสอนระบบธรรมอย่างอื่นเลยนอกจากระบบฉับพลันนี้เท่านั้นขอให้ผู้ปฏิบัติตามระบบนี้ทุกคนจงเห็นอย่างเผชิญหน้าต่อจิตเดิมแท้ของตนและอยู่กับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้ในทันทีถ้าท่านกำลังแสวงหาธรรมกาย ก็จงมองให้สูงสเหนือขึ้นไปจากลักษณะธรรมดาปรากฏการ์ต่างๆแล้วจิตเดิมแท้ของท่านก็จะบริสุทธิ์จงตั้งตัวมั่นในความมุ่งหมายที่เห็นจิตเดิมแท้อย่างเผชิญหน้าอย่าถอยหลังเพราะความตายอาจมาถึงโดยปัจจุบันและทำชีวิตในโลกนี้ของท่านให้สิ้นสุดลงโดยทันที ผู้ที่เข้าใจคําสอนตามหลักแห่งมหายาณและอยู่ในฐา น, นะที่จะมองเห็นจิตเดิมแท้เช่นนี้ควรจะกระพุ่มมือทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างนอบน้อมด้วยอาการแห่งความเคารพแล้วแสวงหาธรรมกายด้วยความกระตือรือร้อนเถิดพระสังฆปรินายกได้กล่าวเสริมอีกว่าท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย ท่านทั้งหลายควรสาธยายสโลกนี้และปฏิบัติตามถ้าท่านมองเห็นจิตเดิมแท้ของท่านหลังจากที่สาธยายแล้วท่านก็จะเห็นได้เองว่าท่านได้อยู่ในที่เฉพาะหน้าของอาตมาตลอดไปแม้ว่าตามที่แท้ท่านอยู่ห่างออกไปตั้งพันพันไมล์แต่ถ้าท่านไม่สามารถทำได้แม้เราจะอยู่จอหน้ากันอย่างนี้ โดยที่แท้ก็คือเราอยู่ห่าง ก, กันตั้งพันพันหมายนั่นเองเมื่อ<ด>เป็นเช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรในการที่ท่านทนทรมานเดินทางจนมาถึงที่นี่จากที่อันไกลแสนไกลจงระวังตัวของท่านให้ดีอาตมาลาก่อนบรรดาผู้มาประชุมกันนั้นเมื่อได้ฟังพระสังฆปรินายกกล่าวจบแล้ว ได้พากันรู้แจ้งเห็นจริงด้วยอาการอันปลื้มปิติเขาพากันรับเอาคำสอนและนำไปปฏิบัติ